มาลาดวงดอกไม้มาตั้งไว้เพื่อบูชาวันทาพระพุทาชัยมงคลโลกะโบเชิดชัยมงคล โลกกับโบชิด เทวาถว่างเวรน้อมอันเชิญสเสด็จลงมามากุมตุ่มหงานอัดสจันทุงทิ้นสาระเจ้าใหญ่อันเชิญมาปก ออกเกษาขน้อยอ่อนปกเกษาขน้อยอ่อนสมเด็จพระมหาราช์มังคลา ท่านน้ำพระพุทาชัยมงคลโลกกับโู้ชิ้นนมิดดีแม่นหม่ราเจ้าใหญ่คำเจริญอันเชิญสรรเสริญหญิงมิ่งเมืองแม่ แดนพุทธเฮามิ่งเมืองแม่แดนพุทธเฮา ราหนมอินพร้อมทานกราบหนามัดสากาารราคูบาอนอานวิไลราคบาูาาคบา้นานอานวิไลราเจ้าใหญ่ทำจะเริอนวังเวนฟ้า ว่าธานีพระบรมมาสารีริกาธาอันงดงามริกาธาตุอันงดงามลือนาราบุญทา้าใชยมองคนโลกกะโบชจิต เวจิสิบโบชาพระสัมมาพุถามโอพระสัมมาพุถามโอ